บทที่52พระชละพิญญาพระโบเฮียวไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่นายสมชายเล่าแต่คนเล่าอยากให้ท่านเชื่อจึงต้องนิมนต์ให้ไปพิสูจน์บังเอิญภิกษุเชื้อสายยวนมีข้อข้องใจสงสยัยที่จะเรียนถามท่านพระครูอยู่แล้ว จึงตกลงปรงใจที่จะไปพบพระอุปชายาจารย์ของท่านเฝ้ากุฏิไว้นะอย่าเพิ่งหลับละ่ะท่านสั่งในสมชายแล้วออกเดินพรางกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายไปยังกุฏิท่านเจ้าอาวาสครั้นถึงก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกลิ่นสุนัขที่ตายมาหลายวันท่านคิดว่าคงเป็นอุปทานมากกว่า จึงกำหนดได้กลิ่นน้องเาว่าความรุนแรงของมันไม่ได้ลดลงจึงคิดจะเดินกลับโชคดีที่ท่านพระครูยังไม่เห็นพระภิกษุหนุ่มเดินมาเข้าทางด้านหลังของกุฏิบัวเหียวจะกลับไปทาไมล่ะเข้ามาก่อนเสียงพระอุปชาเรียกออกมาจากข้างในพระบัวเหียวเลิกสงสัยมานานแล้วว่า เหตุใดท่านพระครูจึงรู้ว่าท่านกำลังเดินมาในความคิดของภิกษุหนุ่มพระอุปชาของท่านเป็นพระชละพิญญาท่านคงเหม็นผมนะครับหลวงพ่อผมเองก็ยังแทบจะทนกลิ่นของตัวเองไม่ไหวอาจารย์ชิดพูดอย่างเกรงใจรู้สึกสงสารจมูกของพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนี้ยิ่งนักและเพราะเหตุผลอย่างเดียวกันนี้ ที่เขาจะต้องหนีลูกเมียสมสารมหาท่านพระครูขอมาตายใกล้ๆพระจะได้ไม่ตกนรกบัวเหี้ยวสมมตินี่เป็นสนามสอบเธอลงมือทำข้อสอบได้แล้วจะตกหรือจะผ่านประเดี๋ยวก็จะได้รู้อาจารย์ชิดไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพระครูพูดซึ่งย่อมเป็นธรรมดาของผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัต กรรมฐานส่วนพระบุญเยียวนั้นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถ้าเริ่มกำหนดได้กลิ่นนอด้วยสติอันไม่ถึงกับว่องไวหากก็ไม่จัดว่าช้าเวลาผ่านไปประมาณสองนาทีก็อดครวนกับพระอุปชาว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ครบรอยอย่างสูงงวดนี้กระผมขออนุญาตสอบตกนะครับยังเตรียมไม่พร้อม จะกลับไปตั้งหลักก่อนและค่อยกลับมาแก้ตัวใหม่ขอรับแล้วทางงวดหน้าตกอีกละ่ะพระอุปชายย้อนถามก็ขอไปแก้ตัวงวดโน้นขอรับผู้บวชได้สี่เดือนเศษตอบขณะพูดมีความรู้สึกว่าตรินเน่าชอยเข้ามาในปากจึงเกิดอาการสะอิดสะเอียนจนมิอาจทนนั่งอยู่ได้ แล้วถ้าฉันไม่อนุญาตละ่ะพิกษจหนุ่มไม่ทันได้ตอบเพราะรีบลุกออกไปอาเจียนที่กอต้นเข็มเสร็จแล้วจึงกลับเข้ามานั่งน้ำหูน้ำตาไหลเพราะความคลื่นเหียนเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงให้สงสารลูกศิษย์นักจึงกล่าวอนุญาตว่าเอาเธอจะกลับมาสอบคราวหน้าก็ได้แล้วช่วยกลับไปบอกสมชาย้วยว่า พรุ่งนี้เช้าให้ไปหาต้นใต้ใบกับต้นไมยราบมาให้ชั้นสักหอบย่อมๆจะเอามาปรุงยาให้โยมเขาท่านหมายถึงอาจารย์ชิดครับผมกราบลาละครับภิกษุน่มกราบพระอุปช c สามครั้งแล้วลุกออกมาแวะอาเจียนที่กอต้นเข็มอีกครั้งแวะอาเจียนที่กอต้นเข็มอีกครั้ง จึงเดินกลับกุฏิของท่านความรู้สึกผ อ, อื่อดผอมทําให้ลืมกําหนดขวาซ้ายมานึกได้ต่อเมื่อถึงที่พักแล้วพ้นแห่งการพิสูจน์เป็นยังไงครับหลวงพี่นายสมชายถามจะเป็นยังไงแต่ก็เอาเถอะอาตมาจะไม่บอกคุณหรอกบอกเธอครับผมอยากรู้แต่อาตมาไม่อยากบอกบอกเธอครับ เพราะผมอยากรู้จริงๆแล้วความอยากรู้ของผมนั้นมีมากกว่าความไม่อยากบอกของหลวงพี่เสอีกฉะนั้นหลวงพี่จะต้องบอกลูกศิษย์วัดอ้างเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองคุณเอาอะไรมาวัดไม่ต้องวัดหรอกครับหลวงพี่ของมันเห็นกันเจ๋งๆอยู่แล้วจะต้องไปวัดเวอร์ทำไมกันพระบุญเยาวครั้นจะเถียง จึงบอกเสียงอ่อยๆว่าอาตมาสอบตกอย่างไม่เป็นท่าเลยสอบอะไรครับสอบบรรจุหรือว่าสอบเลื่อนตำแหน่งชายหนุ่มถามงงๆไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือพออาตมาไปถึงหลวงพ่อท่านก็ให้สอบแล้วอาตมาก็ตกเอแต่หลวงพ่อท่านฝากสั่งมาบอกคุณนะ ท่านเปลี่ยนเรื่องด้วยไม่ต้องการให้ฝ่ายนั้นรับรู้ความพ่ายแพ้ที่ท่านได้รับมายกหยกท่านสั่งถึงผมว่ายังไงครับท่านว่าพรุ่งนี้เช้าให้คุณไปหาต้นใต้ใบกับต้นไมยราบมาสักหอบย่อมย่อมท่านจะเอาไปปรุงยาให้โยมเขาคนรับฝากคำสั่งถ่ายทอดความได้ทุกถ้อยคำโยมไหนครับ เขาคิดว่าคงจะเป็นบุรุษคอเน่าคนนั้นเอ้ออันนี้อัตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะหลวงพ่อท่านไม่ได้บอกคนฉลาดแต่ไม่เฉลียวตอบไม่เต็มเสียงงั้นพรุ่งนี้หลวงพี่ช่วยเตือนผมอีกทีก็แล้วกันเอาละทีนี้กรุณาเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าหลวงพี่ไปสอบอะไรมาที่พูดค้างไว้เมื่อตะกี้นี่นะ่ะคนเป็นคารพหักวกกลับ มา เ, เมแม่อาตมานึกว่าคุณลืมไปแล้วหลงดีใจว่าจะได้ไม่ต้องเล่าภิกษุหน่มรู้สึกผิดหวังผมไม่ลืมหรอกครับหลวงพี่แล้วผมก็รู้ด้วยว่าหลวงพี่อยากให้ผมลืมไอ้ผมมันคนหัวรั้นซสด้วยคือถ้าใครอยากให้ผมลืมผมมักจะจําระวังเธอคนที่หัวรันนะ่ะต่อไปจะหัวล้าน นายสมชายสะดุง้งเพราะครั้งหนึ่งท่านพระครูเคยพูดเรื่องผมบนศรีรษะของเขาว่าในอนาคตมันจะลดปริมาณลงเมื่อมาถูกพระบัวเยียวสกิดอีกถึงกับใจฟอก็ผู้ชายคนไหนบ้างล่ะอยากจะหัวล้านถึงผู้หญิงก็เธอแม้หลวงพี่พูดอะไรอย่างนั้นเล่นเอาผมใจคอไม่ดี เขาตอว่าภิกษุนมทำไมกลัวหรือก็กลัวสิครับเกิดเป็นตามที่ปากหลวงพี่ผมกลุ้มใจตายแน่ๆอย่า ก, กลัวเลยคุณถ้าคุณมีกรรมจะต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นเป็นเข้าจนได้ไม่ว่าอาตมาจะพูดหรือไม่พูดก็ตามจริงไหมคงจริงมั้งครับแต่ถ้าผมจะต้องเป็นอย่างนั้น ก็ขอภาวนาให้เป็นหลังแต่งงานเธอขืนเป็นก่อนแต่งงานผู้หญิงเขาคงไม่ยอมแต่งงานกับผมแน่หากเป็นเมื่อก่อนใจของพระบูเหียวจะต้องซัดสายทุกครั้งเมื่อได้ยินคนพูดเรื่องแต่งงานแล้วก็คิดอยากศึกออกไปมีคู่ครองเฉ็กเช่นคนอื่นๆบ้างแต่หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจนสามารถแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไป ยังโยมารดาถึงกับทําให้ท่านได้รับรางวัลเป็นอาหารทิพย์จากเทวดาปรากฏการสองอย่างนี้ทําให้ท่านตั้งปณิธานว่าจะไม่ศึกออกไปเป็นผู้ครองเรือนอย่างเด็ดขาดนับแต่บัตรนั้นท่านก็ไม่ได้วันไว้ยามได้ยินได้ฟังเรื่องเช่นว่านี้ทั้งความคิดที่จะศึกก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีก ไม่ยอมแต่งก็ดีนะสิจะได้รู้ว่าเขารักเราที่รูปร่างหน้าตาอาตมาเคยได้ยินหลวงพ่อท่านสอนโยมว่าคนที่รักกันด้วยรูปโฉมโนมพัน์หรือทรัพสมบัตินั้นไม่ใช่รักแท้ต้องรักด้วยอะไรล่ะครับจึงจะเรียกว่ารักแท้ศิษย์วัดแกล้งถามเพื่อลองภูมิหลวงพี่หลวงพ่อท่านว่าต้องรักด้วยใจ ด้วยคุณความดีรักอย่างนี้จึงจะยั่งยืนอย่างแรกไม่ยั่งยืนเพราะพอหมดเงินหมดสวยรักก็จืดจางร้างลาผู้บวชหมายพูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระอุปชาทาไมต้องเป็นหลวงพ่อท่านว่าด้วยล่ะครับเป็นหลวงพี่ว่าไม่ได้หรือไงนายสมชายทักทวงอาตมายังไม่เคยมีประสบการณ์ ภิสุหนุ่มให้เหตุผลก็เมื่อไหร่จะมีลักรับเมื่อไหร่อาตมาไม่พึงปรารถนาจริงอยู่เมื่อก่อนอาตมาก็เคยคิดแต่เดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้วพอปฏิบัติกรรมฐานมากมากจิตมันก็ไม่ยอมรับสิ่งนี้โดยปริยายไม่ต้องมีการฝืนใจด้วยมันก็แปลก ด, ดีนะคุณน่าจะลองบ้างอยาให้ผมลองเลยครับหลวงพี่ ผมยังไม่อยากเป็นพระอระหันยังรักที่จะเป็นปุตตชนคนเดินดินอย่างนี้แหละนายสมชายรีบปฏิเสธคุณคิดว่าการจะเป็นพระอระหันนั้นเป็นกันได้ง่ายๆ ง, งั้นหรือพระบัวเหยียวย้อนง่ายหรือยากผมก็ไม่อยากเป็นหรอกครับแต่ถึงอยากก็ใช่ว่าจะเป็นได้ดังที่อยากหลวงพ่อท่านบอกว่า การจะเป็นพระอาหารหันต้องปฏิบัติข้ามภพข้ามชาติแล้วก็ต้องทำด้วยตนเองทำแทนกันไม่ได้ซื้อเอาก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่บัตรพูดแทนแหมหลวงพี่อ้างหลวงพ่ออีกแล้วเมื่อไรจะเลิอกอ้างแบบนี้สักทีคนเราควรจะมีความคิดเป็นของตัวเองมั่งนายสมชายว่ามันก็มีบ้างมันกันแหละ ความคิดที่จะเป็นของตัวเองนะ่ะแต่มันก็ออกจะเปิลๆไม่ฉลาดเฉลียวนักพูดออกมาเท่าไรก็เป็นถูกคนเขาหัวเราะเยาะทุกทีก็เลยต้องอ้างหลวงพ่อจะผิดจะถูกยังไงก็ให้ไปถามหลวงพ่อเอาเองแต่ก็แปลกนะคุณพ่ออาตมาอ้างหลวงพ่อก็ไม่เห็นใครหัวเราะเยาะเลยจึงต้องอ้างบ่อยๆจนชิน พระบัวเยวอธิบายถึงสาเหตุที่ต้องอ้างคำพูดของอาจารย์เอาเถอครับเรายุติเรื่องนี้กันดีกว่าหลวงพี่ตอบผมได้แล้วว่าไปสอบอะไรมาสมชายทวงคำตอบพระบัวเยวเห็นว่าไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้จึงจำใจเล่าให้ชายหนุ่มฟังพร้อมทั้งลงความเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่คนเป็นเนจะเหม็นราวกับซากศพนี่ถ้าอาตมาไม่ไดีเห็นมากับตาตัวเองเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านทนได้ยังไงนะผมสงสารท่านจังเลยจะต้องสงเคราะห์คนทุกประเภทโดยไม่เลือกชั้นวันนะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นใครมีชีวิตลําบากลําบนเหมือนท่านในโลกนี้จะมีอีกสักกี่คนที่เป็นอย่างท่านหรือหลวงพี่ว่าอย่างไง อาตมาว่าไม่มีอีกแล้วคนที่ประเสริฐอย่างหลวงพ่อหาไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกไหนๆพระบัวเหียวพูดจากใจจริงนั่นสิครับแล้วผมก็เสียดายใจแทบขาดที่ท่านจะต้องจากพวกเราไปในอีกสี่ปีข้างหน้าหลวงพี่ทราบเรื่องที่ท่านจะต้องได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วใช่ไหมครับรู้แล้ว แต่มันยังไงยังไงอยู่นะอาตมาค่อนข้างมั่นใจว่าท่านจะไม่มรณภาพในลักษณะเช่นนั้นบุญบา ร, รมีที่ท่านสะสมไว้จะช่วยท่านได้อาตมาแน่ใจเช่นนั้นหมายความว่าหลวงพี่ไม่เชื่อที่หลวงพ่อบอกเหรอครับแสดงว่าหลวงพี่ไม่เชื่อว่าท่านได้อภิญญาจริงอย่างนั้นเหรอครับเชื่อสิอาตมาเชื่อว่าท่านได้อภิญญาหกด้วยนะ ท่านเป็นพระอระหันต์ประเภทชลาิญญาอัตมาเชื่ออย่างนี้หลวงพี่อย่าไปพูดอย่างนี้ต่อหน้าท่านนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนเคยมีคนคิดว่าท่านเป็นพระอระหันต์ท่านบอกอย่าคิดอย่างนั้นท่านบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นท่านเป็นพระอระหันต์ต่างหากเพราะใครมีทุกข์ท่านก็จะเห่ไปช่วยเขาคนอื่นจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ สำหรับอาตมาท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้อภิญญาครบหกท่านเป็นพระชลภิญญาภิกษุหนุ่มยำ้ำเอาเถอะครับหลวงพี่อยากจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจแต่ย่าได้ไปพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังเชียวถูกดุแน่ๆ น, นี่กี่ทุ่มกี่ยามแล้วละ่ะผมชักง่วงแล้วนอนกันเถอะครับเชิญคุณนอนก่อนเถอะ อาตามา จ, จะปฏิบัติกรรมฐานเพื่อแผ่เมตตาให้หลวงพ่อท่านบางทีอาจช่วยท่านได้นะหรือคุณว่ายังไงครับอาจเป็นได้ก็หนูยังช่วยฤาษีได้นี่ครับหลวงพี่ตัวใหญ่กว่าหนูตั้งแยะนายสมชายว่าจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนไม่ช้าก็ส่งเสียงกรนเบาๆแสดงว่าหลับสนิทพระบัวเหวนั่งสมาธิกาหนด พองหนอและยุบหนอเป็นเวลาสองชั่วโมงทอนจิตออกจากสมาธิแล้วแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านพระครูจากนั้นจึงจำวัดพระบวเฮียวกลับออกไปแล้วท่านพระครูจึงได้พูดกับอาจารย์ชิดว่ายังไม่ทันไรสอบตกเสียแล้วโยมอย่าถือสาท่านเลยนะ ท่านเพิ่งบวชยังไม่ทันครบรนษาเลยอาจารย์ชิดพอจะเข้าใจความหมายที่ท่านพูดจึงตอบว่าผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับเพราะถ้าเป็นผมก็ทนไม่ได้เช่นกันและผมก็เกรงใจหลวงพ่อมากที่ต้องมาทนกับกลิ่นเหม็นเน่าราวกับซากศพอย่างนี้ผมคงบาปมากใช่ไหมครับถึงได้เน่าทั้งที่ยังไม่ตายอย่าเพิ่งไปคิดอะไร แล้วก็ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอาตมาแต่ประการใดไหนลองตอบอาตมาสิว่าโยมอยากหายหรือเปล่าผมยังมีโอกาสจะหายได้เหรอครับคงเป็นไปไม่ได้หลวงพ่ออย่าปลอบใจผมเลยครับที่ผมดันโดนมาก็ไม่ได้หวังว่าจะหายเพียงแต่จะขอมาตายใกล้ๆหลวงพ่อเท่านั้นอาจารย์วัยหกสิพูดอย่างโปรงตก แต่อัตมาดูแล้วมีทางเป็นไปได้ถึง 80% เอร์เซนขอให้เชื่ออัตมาแล้วทำตามที่บอกก็แล้วกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมจะขอบวชตลอดชีวิตเลยครับขออุทิศชีวิตเพื่อให้พระศาสนาชีวิตการครองเรือนของผมสิ้นสุดลงเพราะโรคร้ายการได้ชีวิตใหม่ผมถือว่าเป็นเพราะอำนาจบุญกุศล ผมจึงขอต่อบุญด้วยการบวชตลอดชีวิตอย่าคิดไกลขนาดนั้นเลยโยมอนาคตเป็นของไม่แน่ถ้าโยมคิดว่าจะบวชก็ขอให้อธิษฐานไว้แค่พรรษาเดียวก็พอถ้าไปบอกว่าจะบวชตลอดชีวิตและถ้าเกิดทำตามที่พูดไม่ได้ก็จะเสียสัต์จะเรื่องสัต์จะนี่สำคัญมากนะโยมลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งชื่อไนโอ กำลังจะจมน้ำตายเพราะอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ำก็อธิษฐานว่าหากรอดชีวิตจะบวชหนึ่งพรรษาเสร็จแล้วก็ไม่ทำตามที่พูดแกบ่นไว้ตั้งแต่ลูกสาวยังอยู่ในท้องจนลูกสาวแต่งงานก็ยังไม่ยอมบวชอาตมาเตือนกอพลัดเหมือนนั่นเหมือนนี่อยู่เรื่อยในที่สุดก็เลยรดคว่ำคอหักตายนี่แหละผลของการเสียสัจจะ ในกรณีของโยมก็เหมือนกันขอให้ตั้งใจว่าจะบวชอย่างน้อยหนึ่งพันษาหลังจากนั้นจะสึกหรือไม่สึกก็ไม่ถือว่าเสียสัจจะเข้าใจหรื อ, อยังครับผมจะอธิษฐานไว้หนึ่งพันษาก่อนหลังจากนั้นก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่สึกตามใจโยมก่อแล้วกันแต่อาตมาดูแล้ว โยมจะต้องศึกออกไปดูแลกิจการร้านค้าบวชตลอดชีวิตไม่ได้แน่ท่านพระครูพูดกฎแห่งกรรมของอาจารย์ชิดบอกท่านว่าภรรยาของเขาตายด้วยโรคมะเร็งในอีกสามปีข้างหน้าท่านยังไม่บอกตอนนี้แต่จะบอกต่อเมื่อเขาหายป่วยแล้ว ภรยาผมเขาดูแลได้ครับหลวงพ่อเขาเก่งเรื่องค้าขายแล้วก็แข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยเขาคงทำบุญมาดีอย่างน้อยก็ดีกว่าผมแหละครับแต่คนที่ทำบุญมาดีพอมาชาตินี้ไม่ต่อบุญน้ามันก็หมดได้เหมือนกันนายโยมท่านพระครูแย้งเสียงเรียบเรียบเพราะรู้ว่าอีกสามปีภรยาอาจารย์ชิดจะน้ำมันหมด ชนิดไม่มีผู้ใดจะช่วยได้บุญกุศลไม่มีวันหมดได้หรือครับหลวงพ่อคนเป็นโรคมะเร็งถามได้สิโยมก็เหมือนน้ำมันรถนั่นแหละหมดเมื่อไรรถก็วิ่งต่อไม่ได้ถึงต้องเติมน้ำมันไงละ่ะท่านเจ้าของกุฏิอธิบายเชิงเปรียบเทียบให้คนที่เป็นอาจารย์ฟังถ้ายอย่างนั้นบาปก็หมดได้ใช่ไหมครับ อาจารย์ชิดถามการได้สนทนากับท่านพระครูทำให้เขารู้สึกเพลิดเพลินจนลืมความเจ็บปวดได้ชั่วครั้งคราวแท้ที่จริงพลังเมตตาที่ท่านแผ่มาให้นั้นดอกที่ช่วยบรรเทาเบากรายความทุกข์ให้เขาได้ถ้าหากมีการชดใช้สมมติว่าโยมไปขอยืมเงินเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ใช้คืนเขา โยมก็ได้ชื่อว่าเป็นหนี้เขาอยู่ต่อเมื่อใช้คืนเขาเมื่อใดก็เป็นอันว่าหมดหนี้พูดถึงเรื่องหนี้อาตมานึกถึงเรื่องของตัวเองได้โยมอยากฟังหรือเปล่าถ้าไม่อยากอาตมาก็จะไม่เล่าอยากครับหลวงพ่อกรุณาเล่าเถอะครับผมรู้สึกสบายขึ้นเมื่อได้คุยกับหลวงพ่ออาการเจ็บปวดดูเหมือนลดน้อยลงไปจนเกือบจะเหมือนเป็นคนปกติ หลวงพ่อกรุณาเล่าเธอครับแล้วห้ามเอาไปเล่าต่อนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและจบลงเป็นอดีตไปแล้วครับผมจะไม่เล่าให้ใครฟังหากไม่เผลอตกลงถ้าเล่าตอนเผลออาตมาไม่ว่าแต่ถ้าไม่เผลอห้ามเล่านะครับบุรุษวัยห้าสิบรับคำท่านพระครูจึงเล่า ว, ว่า สมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆอาตมาคุ้นเคยกับเจ้คนหนึ่งแกชื่อเจลังวันหนึ่งแกก็มาหาอาตมาบอกว่าหลวงพ่อขอยืมเงินชั้นสักห้าพันได้ไหมชั้นจะเอาไปให้เฮียเขาลงทุนค้าขายเจลังแกมากับสามีจะชื่ออะไรอาตมาก็จำไม่ได้เสแล้วตอนนั้นอาตมาเงินเยอะเพราะว่ายายทิ้งสมบัติไว้ให้ ทั้งเงินทั้งทองนั่นดูเหมือนจะสักส0บบาทเห็นจะได้เป็นทองรูปประพันมีทั้งเข็มขัดสร้อยข้อมือและก็สร้อยสังวานที่คนสมัยก่อนเขาใส่กันอ่อแล้วก็มีร่างแหทองคำอันใหญ่อีกสองอันอะไรครับหลวงพ่อร่างแหทองคำอาจารย์ชิดถามก็ลักษณะเหมือนกับแห้ ที่เขาให้เด็กผู้หญิงใส่นะ่ะสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะเขาใส่กางเกงแทนอ๋อตาปิ้งใช่ไหมครับคงงั้นมั้งอาตมาเองก็ไม่เคยใส่กับเขาเพราะเป็นเด็กผู้ชายท่านพระครูพูดติดตลกผมก็เคยซื้อให้ลูกสาวใส่ครับสมัยที่แกเด็กๆ เ, เดี๋ยวมนี้แม่เขายังเก็บไว้ บอกเอาไว้ให้รุ่นหลานดูนั่นแหละที่นี้เจ้ล้างแกมาขอยืมเงินห้าพันแกกำลังท้องแกด้วยตอนที่มานะ่ะท้องลูกคนแรกแล้วหลวงพ่อให้หรือเปล่าครับให้สิอาตมาไม่หวงหรอกถ้าไม่มีเคยหวงอาตมาให้แกยืมไปแต่ก็นึกสังหรณ์ใจว่าคงจะไม่ได้คืน แล้วก็ไม่ได้คืนจริงๆอาตมาจดบันทึกไว้นะพ่อแกกลับสามีกลับอาตมาก็ขึ้นไปจดบันทึกว่าวันที่19มีนาคม2492เวลา14นาฬิกาเจลังอยู่นคร น, นายกมายืมเงินไปห0 0พันบาทรู้สึกสังหรณ์ใจว่าจะไม่ได้คืนและหลวงพ่อได้คืนหรือเปล่าครับ ไม่ได้จนบัดนี้อาตมาก็ไม่กล้าทวงแกเพราะทวงนี้ใครไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าแกทำไมถึงลืมได้แกมาที่นี่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยพูดเรื่องเงินเลยฉะนั้นจะว่าแกตั้งใจโกงก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแกก็ต้องหลบหน้าหลบตาไม่มาให้เห็นหน้าจริงไหมจริงครับ เอาอย่างนี้ไหมครับหลวงพ่อถ้าวันหลังแกมาที่นี่อีกหลวงพ่อกรุณาบอกผมผมจะพูดให้เองดีไหมครับอาจารย์ชิดขันอาสาไม่ต้องหลอกโยมมันจบสิ้นกันไปแล้วฟังก่อนอาตมายังเล่าไม่จบคือเมื่อปีที่แล้วนี่เองแกก็มานิมนต์ไปงานแต่งงานลูกสาวก็คนที่อยู่ในท้องตอนที่แกมาขอยืมเงินอาตมานั่นแหละ ก่อนไปอาตมาอธิษฐานเจ้าประคุณขอให้ขบเจ้าได้เงินห้าพันคืนเถอะขอให้เจร้างแกนึกได้เถอะแล้วก็ไปนครนายกแกส่งรถมารับเพราะตอนนั้นอาตมายัางไม่มีรถใช้ลูกสาวแกแต่งงานมาที่19มีนาคมสองพันห้าร้อยสิบหกเป็นเวลา25ปีเต็ม ที่แกยืมเงินอัตมาไปพอไปถึงก็ทำพิธีจากนั้นก็ชันเช้าชันเช้าเสร็จอัตมาก็ลากลับแกก็ไม่พูดเรื่องเงินอีกอัตมารู้สึกผิดหวังก็เลยมานั่งกรรมฐานตรวจสอบดูถึงได้รู้ว่าที่เขาลืมเพราะเราเคยเป็นหนี้เขาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนโน้นชาติที่แล้วเหรอครับไม่ใช่ ก่อนชาติที่แล้วเมื่อชาติที่แล้วอาตมายังไม่ได้ทันไปขอยืมใครเพราะตายเสียก่อนดูเหมือนจะตายตอนอายุสักสามสี่ขวบนี่แหละเป็นอะไรตายครับตกน้ำตายคือบ้านอาตมาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วผี่เลี้ยงเค้าเผลออาตมาลงไปเล่นทิ่ท่าน้ำก็เลยตกน้ำตายนี่โยมห้ามไปเล่าให้ใครฟังนะ อาตามา ย, ยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเรื่องตกน้าตายน่ะการปฏิบัติกรรมฐานมีประโยชน์ตรงนี้แหละก็คือทำให้ระลึกถึงกรรมเก่าได้จะได้ใช้ใช้ให้หมดไปเสียทุกคนก็มีกรรมเดียกันทั้งนั้นไม่ว่าโยมหรือว่าอาตมาหรือว่าใครๆและหลวงพ่อบอกเจคนนั้นหรือเปล่าครับไม่ได้บอกอย่างที่เล่าให้โยมฟังหรอก หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนแกก็มาที่วัดอีกอัตมาก็แกร่งถามแกว่าเจ้อัตมาเคยเป็นหนี้เป็นสินเจ้แล้วลืมใช่บ้างหรือเปล่าลองนึกดูซิแกก็นึกอยู่นานแล้วก็บอกว่าไม่เดบเป็นอัตมาก็ถามว่าถ้าเกิดเป็นตั้งแต่ชาติก่อนๆละ่ะอัตมาจะใช้ให้ชาตินี้เอาไหมจะได้หมดหนี้กัน แกก็ว่าเอาเธอฉันยกให้ถ้าเป็นหนี้ตั้งแต่ชาติก่อนๆฉันยกให้หลวงพ่ออัตมาก็ย้ำว่าจริงๆนะอย่าพูดเล่นนะแกก็รับปากรับคําซึ่งก็แปลว่าแกเอาหวสิให้อัตมาก็เลยบอกว่าที่แกยืมอัตมาเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนอัตมาก็ยกให้เหมือนกันแกก็นึกขึ้นได้และก็บอกจะใช้คืน อาตมาไม่ยอมรับคืนเพราะที่ยืมแก่มาถ้าคิดเป็นเงินในชาตินี้ก็คงตกสองแสนบาททั้งต้นทั้งดอกซึ่งถ้าแกคิดจะเอาคืนก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาให้หลวงพ่อก็เลยได้กำไรสิครับอย่างนั้นนะสิอาตมาถึงเตือนโยมว่าอย่าเที่ยวพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเดี๋ยวเขาจะตาหนิเอาว่า หลวงพ่อจเจริญค้ากำไรเกินควรแล้วท่านก็หัวเราะอาจารย์ชิดปล่อยหัวเราะไปด้วยนานนักหนาแล้วที่เขาไม่ได้หัวเราะยังมีความสุขเช่นค่ำคืนนี้